ครูสมชายนะเป็นครูโรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่งทางภาคใต้อำเภอเทพานะจังหวัดสงขลาเมื่อ30ปีก่อนนะครูสมชายเล่าว่ามีเด็กคนหนึ่งโดนครูตีทุกวันเลยแล้วก็คงไม่มีเด็กคนไหนที่โดนครูสมชายตีมาเท่ากับเด็กคนนี้นะ ชื่อเด็กชายสมเพียนแซ่เจิงทั้งที่พ่อครูเนี่ยเขามีกติกาว่านักเรียนทุกคนถ้าใครมาสายต้องถูกครูตี3ทีแล้วก็เด็กชายสมเพียนนี่ก็มาสายทุกวันไม่มีขาดเลยนะไม่มียกเว้นเลยนะ หูก็ตีเด็กก็ไม่เข็ดลามแล้วก็ยังมาสายอีกเรียกว่าตีวันละสามทีตลอดจนจบเทอมเลยนะแล้วก็ผ่านไป30ปีทางโรงเรียนเนี่ยเขามีโครงการจะทำทำป้ายโรงเรียน ให้มันดีนะทำด้วยหินอ่อนครูสมชายก็ได้ข่าวว่าลูกศิษย์คนเนี้ยสมเพียนไปเป็นตำรวจแล้วก็คุมเมืองหินอ่อนอยู่ทางภาคใต้คงไม่ไกลจากโรงเรียนเท่าไหร่ทาโรงเรียนก็อยากได้หินอ่อนเนี้ย ก็เป็นหน้าที่ของครูสมชายนะซึ่งตอนนั้นก็เป็นผู้บริหารแล้วอาจจะเป็นผู้อำนวยการแล้วก็ได้ก็ต้องโทรไปขอความช่วยเหลือจากลูกศิษย์คนนี้แต่ครูสมชายก็กรากกระอ่วนใจเพราะว่าสมชายคนนี้นะก็โดนครูตีมาทุกวันไม่เว้นเลยแม้แต่วันเดียว ก็ไม่แน่ใจว่าลูกศิษย์คนนี้เนี่ยจะโกรธจะเกลียดครูหรือเปล่าแต่ว่าหน้าที่ก็ทำให้ต้องโทรไปขอความช่วยเหลือคล้ายๆเป็นการบากหน้าไปขอความช่วยเหลือจากลูกศิษย์ที่ตัวเองเคยตีแล้วตีอีกพอลูกศิษย์ที่ชื่อสมเพียนเนี่ยได้ทราบไปโรงเรียนต้องการหินอ่อน แล้วแกก็จำครูสมชายได้ด้วยนะจะจำจะลืมได้ยังไงนะเป็นครูที่ตีตัวเองมาทุกวันเลยแต่ลูกศิษย์ก็ยินดีเลยนะได้เลยครับไม่ขัดข้องครับยินดีช่วยเหลือเต็มที่ครูสมชายแปลกใจมากแล้วก็เลยถือโอกาสนะขอโทษบอกลูกศิษย์ว่าขอโทษนะที่ครูตี เธอทุกวันเลยตอนเป็นนักเรียนเนี่ยลูกเสษยก็เลยบอกว่าก็เลยเล่าเรื่องให้ฟังนะว่าสาเหตุที่ตัวเองเนี่ยถูกตีทุกวันเนี่ยเพราะว่าที่บ้านยากจนสงสัยจะเป็นกําพร้าด้วยก็เลยต้องไปเป็นเด็กวัดเป็นเด็กวัดเนี่ยทุกเช้าก็ต้องตามาพระไปบิณฑบาต ก่จะได้กินก็ผ้าต้องฉันเสร็จก่อนแล้วก็ต้องล้างถ้วยล้างชามถ้านั้นไม่พอนะก็ต้องเอาข้าวเนี่ยนะมาเก็บไว้ข้าวที่เหลือจากพระเนี่ยมาเป็นข้าวเย็นเสร็จสัพ์เนี่ยก็สายแล้วต้องไปโรงเรียนต่อแล้วก็ต้องไปโรงเรียนสายทุกวันไปเร็วกว่า น, นั้นไม่ได้ ก็เลยถูกครูตีพอคูได้ฟังเนี่ยครูก็เลยถึงบังอ้อเลยนะว่าทำไมเด็กชายสมเพียรเนี่ยมาสายทุกวันที่แรกนื่อว่าเป็นเด็กเ ก, กม่เลยเ ก, กเลตื่นสายนะที่แท้เพราะว่ามีความจาเป็นบังคับก็รู้สึกเสียใจนะั้นน้าเสียงครูก็รู้สึกเสียใจเลยนะหลงคิดเขางเข้าใจพี่ต้องนานนะว่าลูกศิษย์นี่คนนี้มันไม่เอาทานมันตื่นสาย ตีเท่าไหร่ก็ไม่รู้สึกเ็ดสักทีนแต่ลูกศิษย์ก็บอกว่าครูอาจารย์อย่าเสียใจเลยครับต้องขอบคุณอาจารย์นะถ้าอาจารย์ไม่ตีผมเนี่ยนะผมก็คงไปเป็นโจแล้วล่ะไม่คงไม่คงไม่ได้แต่งเครื่องแบบตำรวจเท่าไหร่ครูก็ยิ่งซาบซึ้งประทับใจใหญ่สมเพียอคนนี้นะ ตอนหลังก็เปลี่ยนนามสกุลนะเป็นเอกสมยานะหลายคนอาจจะเคยจำได้นะเพราะว่าพันตำรวจเอกสมเพียรเนี่ยนะ<ม>เรียกว่าเป็นวิรบุรุษในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วก็เป็นตำรวจที่ประชาชนรักมากแต่ว่าตอนหลังก็เสียชีวิตจากเหตุการณ์ระเบิดนะเมื่อสักเจ็ดปีที่แล้วที่จริงก็อาจจะรอดตายนะถ้าเกิดว่าเจ้านายเนี่ยเห็นคุณค่าเพราะว่า พันธุานับเงสมเทียนเนี่ยเคยขอขอย้ายหลังจากที่รับราชการเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายมา 20-30 ปีอยากจะขอย้ายนะเป็นห่วงครอบครัวแต่ผู้บังคับบัญชาไม่ยอมให้ย้ายเคยเป็นข่าวใหญ่นะตอนที่ไปขอย้ายแล้วก็ตอนหลังก็เป็นข่าวใหญ่สุดก็คือตอนที่แกเสียชีวิตจากระเบิดเนี่ยเรื่องนี้ก็เอามาเล่าเพราะว่าน่าสนใจนะ คือครูเนี่ยตีนักเรียนเนี่ยทุกวันเนี่ยด้วยความเข้าใจผิดว่านักเรียนเนี่ยลูกศิษย์ของตัวนี่ไม่เอาทานไม่สนใจที่เข้าใจผิดเพราะไม่เคยถามเลยว่าทำไมเธอมาสายแแค่ถามสักประโยคเดียวนะว่าทาไมเธอมาสายเนี่ยก็จะเข้าใจเหตุผลแต่ตลอดทั้งปีนี่ครูไม่เคยถามเลยตีอย่างเดียวเธอมาสายก็ต้องตี ส่วนนักเรียนเนี่ยก็น่าประทับใจนะคือคนเราเนี่ยยากจนไม่มีไม่มีเงินนะจะซื้อข้าวต้องไปอาศัยวัดแล้วก็ต้องทำงานช่วยวัดกว่าจะได้กินก็สายนะแค่นี้ก็แย่อยู่แล้วนะไปโรงเรียนยังถูกครูตีอีกคนบางคนจะรู้สึกว่านี่เป็นคอซ้ำกำซัต์ ทำไมกูซวยแบบนี้นะนะอาจจะกลดาชะตากรรมแต่ว่าเด็กชายสมเพียนเนี่ยแกกับไม่ได้คิดแบบนั้นเลยนะแกกับขอบคุณนะที่ครูตนะีการที่ครูตีทุกวนันทุกวันเนี่ยไม่ได้เป็นเรื่องข้อกรรมไม่ได้เป็นเรื่องความซวยนะแต่ว่ากลายเป็นของดีเพราะถ้าครูไม่ตีก็คงจะไม่ได้อ่ จเจริญก้าวหน้านะในชีวิตจกนกระทั่งเป็นตํารวจใหญ่ถ้าคนที่มองแบบนี้ได้เนี่ยเขาเรียกมองบวกนะมองบวกนะถูกครูตีไม่ได้รู้สึกว่าเป็นเรื่องเลวร้ายแต่กับมองเป็นข้อดีต้องขอบคุณครูที่ตีนะถ้าคนที่มองบวกแบบนั้นเนี่ยก็นอกจากจะมีความสุขนะไม่กลดาชตากรรมไม่รู้สึกน้อยเมื้อต่ําใจแล้วเนี่ย ก็ยังสามารถใช้ประโยชน์นะจากหเหตุร้ายหรือว่าสิ่งที่มีพึงประสงค์ให้เป็นของดีได้แต่ก็น่าเสียใจที่อายุสั้นนะเพราะว่ า, าเจ้าหนายไม่เห็นคุณค่านะ แ, แตะ่แล้วก็ไม่รู้ว่าเดี๋ยวนี้จะมีกี่คนที่ยังจได้นะแต่ชาวบ้านที่ภาคใต้คงจาได้เลีกจ่าสมเพียนจ่าสมเพียนเจ็ดแปดปีแล้วก็มาเล่าเพื่อให้ระลึกนะ แต่ว่าเป็นแง่คิดที่ดีนะเบื้องหลังนะการเติบโตนะของอพันธุ์ตรกลสมเพียนย้อนกลับมาที่เรื่องที่ครูเนี่ยนะตีนักเรียนทุกวันทุกวันนะโดยที่ไม่เคยถามเลยนะอันนี้เป็นปัญหานะหลายคนเนี่ยมารู้สึกผิดเมื่อพบความจริงว่าไอ้คนที่ตัวเองลงโทษหรือว่า ละอาเนี่ยนะที่จริงเนี่ยเขาเป็นคนที่น่ายกย่องมากเคยไปอบรมที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งทางภาคกลางประมาณวันที่สองเนี่ยก็มีการบอกความในใจว่ารู้สึกผิดติดค้างใจยังไงบ้างก็มีพยาบาลคนหนึ่งก็เล่าว่ารู้สึก เสียใจไม่สบายใจที่ดูแลพ่อแม่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่าพ่อเนี่ยเป็นอมาาัมพาตเนื่องจากเส้นเลือดในสมองแตกนอนติดเตียงส่วนแม่ก็อัลไซเมอร์นะตัวก็มีแค่ตัวคนเดียวนั่นแหละที่ดูแลทั้งสองคนทั้งพ่อทั้งแม่ทุกเช้าตื่นขึ้นมาก็ต้องนะทำอาหาร ก่อนข้าวแล้วก็ดูแลจัดแจงให้พ่อและแม่เนี่ยนะอยู่ได้อย่างปกติสุขแต่ก็ไม่แน่ใจว่าพ่อแม่จะเป็นยังไงพ่อถูกปล่อยทิ้งไว้ที่บ้านทั้งวันเวลาเลิกงานก็ต้องรีบกลับมาบางทีก็เห็นข้าวของกระจัดกระจย า, ายเพราะพ่อซึมอัลไซเมอ่์ค้นของ ไม่ให้แม่ช่วยเอาใส่เมื่อนี่ค้นของนะบางทีก็ทายเละเท อ, เอ์เปื้อนก็ต้องเก็บกวาดและ ท, ทุกวันเนี่ยตัวเองก็ต้องมาทำงานก็ทิ้งพ่อแม่ไว้เนี่ยขณะที่กำลังคุยอยู่เนี่ยก็ไม่รู้พ่อแม่เป็นยังไงจะเป็นตายแล้วยังไงก็ไม่รู้แกเล่าไปแกปแก็ร้องไห้ไปปราก็ว่ามีคนหนึ่งที่ร้องไห้หนักกว่าแกอีกนะ จนกทัต้องออกไปนอกห้องเป็นผู้บังคับบัญชาเป็นเจ้านายเป็นหัวหน้าก็ไม่เข้าใจเกิดอะไรขึ้นนะตอนหลังแกก็มาเล่าว่าที่แกร้องไห้เนี่ยหัวหน้าร้องไห้เพราะว่าลูกน้องคนนี้นะมาสายเป็นประจำนะเข้าเวรสายนะ พอเลิกงานก็รีบกลับบ้านไม่เคยมาร่วมกิจกรรมอะไรของโรงพยาบาลเลย <c oughs> <c oughs> เวลาจะโอทีนะ เ, เวลาจะขึ้นเวรดึกก็ใยเบี่ยงอยู่เรื่อยนะหัวหน้าคนนี้ก็ด่าลูกน้องเป็นประจำว่าทำไมเธอมาสายไม่รับผิดชอบเลยด่าว่างี่เป็นปีนะเพิ่งมารู้ความจริงว่าทำไมเนี่ยลูกน้องถึงมาสาย แล้วก็อดชื่นชมไม่ได้ว่าเนี้ยที่ลูกน้องทํานี่เสียสละอย่างยิ่งเลยนะตัวคนเดียวดูแลทั้งพ่อทั้งแม่นะแต่แทนที่จะได้ความเห็นใจจากผู้บังคับบัญชากลับถูกดา่าสิว่าชอบมาสายเป็นประจำตัวเธอรู้สึกผิดมากเลยนะที่ไปด่าลูกน้องแบบนั้นน่ยเพิ่งรู้ความจริงว่าลูกน้องนี่เป็นคนที่น่านับถือมาก เธอเออกไปร้องไห้นะรู้สึกผิดรู้สึกประทับใจซาบซึ้งแล้วก็ความรู้สึกมันหลยอย่างปปนเปยอันนี้ก็เหมือนกันนะด่าลูกน้องทุกวันว่ามาสายมาสายด่าเป็นปีหาว่าลูกน้องเห็นแต่ตัวไม่รับผิดชอบงานการไม่ช่วยเหลือส่วนรวมที่แท้โอ้ก็ เ, เป็นอย่างนี้เองนะทั้งหมดนี้จะไม่เกิดขึ้นนะถ้ารู้จักถามนะถามว่าเธอทำไมเธอมาสายเนี่ย ก็จะพูความจริงแต่ส่วนใหญ่คนไม่ถามนะเราก็สรุปลงหน้าไปแล้วกว่าจะรู้ความจริงก็ผ่านไปห้าปี1ิปี30สิปีนะซึ่งบางทีบางอย่างไอ้ความเสียหายก็มันแก้ไม่ได้แล้วงั้นคนเราเนี่ยจริงๆความเข้าใจเนี่ยมันจะดีขึ้นมากนะถ้าเพียงแต่รู้จักถามเท่านั้นแหละว่าทำไมอย่าด่วนตัดสินแล้วก็เตรียมรับพอ